ว่ถือบ่วงเป็นอย่างมันบ่นีไม่ใช่ไหนขวาว่าเขาอะไจับว่าทั้งสองตัวมาถวายมาถวายให้พรญ่าลพระพระญ่าเจ้าเมืองพระราชาสีพญ่าก็ถามแห้งก็พูดเป็นภาษาคนเออบอกวัาวานผมเออเป็นเสนาบดีของแหงเมื่อเจ้าน่ายถูกจับผมก็ต้องถูกจับนะั่มเออผมชืบ่อนีอืม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 กำชั่วที่เขาที่พยายามผูกแล้วไม่จะผูกว่าติด <c oughs> เวนเสียแต่มัดผูกพยาบาทอาฆาตขะกี่ดีอนันตก็มั่นกันหนีพบผลคือกั น, น, น, กนแต่ยังพระพุทธเจ้าของเฮาสวยเป็นสวยพระชาติเป็นพอขาดท่องอย่างที่วานพ้นก็บม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตต่อหมูนะหเน้ยไอ้คาว่าเป็นเพื่อนกันเลยไป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 เขาขอมากเอ้ยได้ห้อยเนี่ยถาดไปเนี่ยถาดเกาแก่คอยเยะมากเปลี่ยนสาสอยตุ่มหูให้หล้านๆ่อยไม่ถึงสิบคนเลยขอขอเวลาอ่านละอ่านเลยได้บอสอะไเนี่ยเอามาเบิงเเบรงนนุ่อสิเปียนบอสอะไน่ยทางพอคา่ากีโก่งนี่ก็ข้าเทาวดาถาดเนี่ จ, จับถาด ท, ทองค่าขึ้นมากเลยดาตึ ก, กเลื่อแน่นตึกเลย่นักตึกเลื่อนออไป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 พ่อมาหอดพาอหอยเกิดเด็กหน่อยไปจ้จากได้ขี้เงาเนี่ยใหญ่ก็เลยเอาท่อถาดใบ น, นนะ้ะมาให้พ่อข้าพระพุพทธี่สัตย์เบิง้งพุทธเจ้าเพราะในห้อยอาเบิ้งนู่นเนี่ยถาดท่องสิเปียน์ได้บอลหลานข่อยไม่อยุอยนนะดถึงสิบข้นนะเจ้าขันหัวได้ชังสิบขนข่อยสิเปียร์่ไรสิบนขบนข่อยโบเปียรเนี่ยยับเป็นเด็กหน่อยผิดกันอา ในห้อยเนี่มะบังโน่พอมังก็เห็นห้อยพอข้าเมื่อกี้เอียกรีดเป็นถาดทองคำก็ได้ไปกีบอีโอทองคำอีดีแต่นัดตึกแล้วโอแม่อีดีทองคำว่ายายท่องใบนี้เนี่ยท่องถาดนี่เนี่ยถาดทองนี้น่ยกับของอยู่ในกระเป๋าคอยเนี่ยเทียบกันบทีเต๊ะ เ, เจ้าสี่เปียนบลเนี่ยเปียน เพื่อให้ครบลูกหลานคอยกับพ่อแล้วเอาองสันคอยสิให้ทั้งหมดดเลยคอยจิเทกกับป๋อให้เลยสันเอี่ยเจ้าสิเอาเอาเอาเลยเน่าเออเอาแล้วมึงขั้นได้ป้านันเพราะข้าคนกรบอกว่าได้อันสองอันสัตว์กับพวกสันก็เลยเปลี่ยนสันเออสันจะไปแล้วได้เทท่องให้เลยเอาไปในกระเป๋าถ้ามันมีเท่าไหร่บาดเอ็งออก้องค่า ถาดไปนั่นเลยจับงัดเข้ากระเป๋าได้กัดโอ้ยพอโดนไอ้นั่นมันจะต้องขึดมาแน่ๆเราจะเนี่ไอ้นั่นมันขี่โกงนักเลงอีกต่างหากมันตีหัวกูแท้ๆวราซะน่มันสิกขากูได้ก็มันขึิบมาเนี่ยเพร่อนีนกได้าแลลวก็เร็้วลงไปหาท่าหน้ามกจ่างเหื่ออีกกล่นึงกับไปขามฟากเล้วเาจะน่พอได้เหื่อน่ะเหือน่กับไผแแ้วโดแล้ว พอขา่าขี่โกงเนี่ยก็ลงไปน้อยในวันกับก้าวขึ้นมาอกีกพอกลับขึ้นมาใ ห, หา่ไปในธาตุนธาตุงั้นพอข่าเขาเอาไปเลยเยวเสร็พ่อข่าเป็นยังไงผู้ น, นั้นผู้นี้เป็นลักษณะ น, นันนกสัะโอ้ตายเซียวกลักตัวแลนนเเนียบบัแลนมหอดทานำมะหอดทานาพอขา่าอนนั้นเลยมันขืนจิตเกือบจะขามฟังแหลม เออเกินจีโกตขืนจิตขืนฟังล่ตัวฮักกัมาหอดฟังนียบอกว่าว่าอเสียวอาจัรมึงสมสรรัรชางหักหลังกูคักแถวอานารย์ได้ปะเนี่ห้องตะโกนใจ่กันคือจะมาคือจะบกว่างวันไหนไม่ฟังน้ำเาอตังผู้เนยว่าเอาจะหักหลังจังไรเขาวอกมึงบ่เอาเด้อายกูก็เอาตัวอายเใส่ภาษา พ, พอคุณล่มใจ่กันวาะเพะมันเชียวกันเด้ เนีเมื่อว่ากูก็เอาตัวอาจารเขาว่าเมื่อว่าเอได้อาอว้ายกูก็จะไปสักน้อยกูจะมาเอาอาจเนอเป็นเสี้ยวมอกไรนฮกหลังกูกะคักเีเมื่อกองจัก่เราเป็นอย่างกูกจักรทกันบ่เป็นอย่างคอมเมนคอมนตหลงพอินนะเป็นเี้ยวกัอนเอออาจรกัแบงเคิงกัเนาะเสี้ยวเนาะเขากระจายสันคอมนเท่านะคอมเนหลงพ่อินหมดลไปเออกระจายเพรเอาผู้เดียวเรากว่าเออท่านขั้นท่านคร แบงกันเนาะเียวนอ้าเถอท่านเอาคนะเครงกันนเถอะท่านเออรัเครง่นกับจิตไข้ยุ้ยเมนพอละอันในผู้ใดเนี่ก็บบัวบัหายโอนลงไปกูเอาผู้ดีโอนไปมัเนี่ก็เคียดหัวฟัดหัวเฟียงอยู่ในฟังอะล่าไปจนเจียนนั่นบนรืบนนี้จับขี่ไา้ขึ้นมาสองกัมมือโอนไปในพระไตพิโกพุนวากันเลยยกของกัมือเออท่าน เกิดชาตินีมึงงเป็นผู้ชนะกูมึงเอาเท่าถาดท่องข้ามไปวะ่วนเกิดชาติต่อไปนี่กูใหตุจงจองกรรมจองเว่นเนี่มึงทุกทุกพบทุกชาติเนอะท่นเนีมึงจะไปเกิดพบใจชได้กูให้จองเว้นมึงทุกพบทุกชาติท่นเนเีให้ท่องกันกเมด็ดหินเม็ดชาติอยู่ในกํมมือของกูนี่แหละทั้งสองกัมม์เดอโพธิสัตว์เห็นจะขึมองบอเห็นบกไก่กไไันปะเนี่ยเ้ยเสียวท่น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 แต่ตามไม่จริงก็บ่นหนาบ่นหนาถึงขนาดนั้นถ้าเขามาวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งท่องข้าใบนั้นก็มันก็บนเม็นของจบของบ่นเป็นของผู้ใดมันเป็นของกลางอยู่ตัวเองก็ไปเห็นก่อนอ่แล้วก็คิดจะโกงเขาพวกค้าผู้ที่2มานี่ซื้อซัดเนี่ยก็เอาท่องให้เขาหมดแล้วก็ได้แต่ถาดรีบหนี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 อาชีพแบบเดียวกันทะเลาะกันปะธานใสร้างมาเห็นง่วงเฉยเลมันโมเมนตมูกันบาะธานงัวเห็นง่วเนี่ยขูดกีดินใส่กันก่มข้อใส่กันนวลไปฮุบโอฮุบโอ้นวลไปมิตสิควิดกันลไปกานควายเห็นควายให้กันเขาล่งแงงล่งแงงใส่กันนวลไปที่ส้นกันนวลไปขันหมาเห็นหมาขีอยูใสนได